พระพุทธศาสนาที่พวกเรามีความเคารพนับถือนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาหาศาลไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะเปรียบคุณค่าของพระพุทธศาสนาได้เพราะสิ่งที่พระพุทธศาสนาจะมอบให้กับพวกเราเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ จะมอบให้กับเราได้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหมื่นล้านแสนล้านหรือการจะได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นมหากตรศั์รธานาธิปดีหรือรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีหรือรางวัลต่างๆที่มีแจกันให้ในโลกนี้ ของเหล่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับคุณค่าของพระพุทธศาสนานี้ห่างไกลกันเหมือนฟ้ากับดินเพราะสิ่งที่ศาสนาจะให้นี่คือการตัดภพตัดชาติการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัติที่สัตว์โลกทั้งหลายอย่างพวกเรากำลังติดยังวนเวียนติดกันอยู่ อย่างไม่มีวันสิ้นสุดจะไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี่แหละคือสิ่งเดียวในโลกนี้ที่จะทำให้พวกเราที่ติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายซ้ำไปซ้ำมาวนไปเวียนมาตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ เป็นอย่างนี้มาอย่างยาวนานและจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนามเมื่อได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเราต้องการจะรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเราก็ต้องมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นองค์ประกอบของพระพุทธศาสนานั่นเอง เพราะความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะทำให้เราได้กระทำในสิ่งที่เราต้องทำกันถ้าเราอยากที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่มีความเชื่อไม่มีศรัทธาเราก็จะไม่กระทำสิ่งที่เราต้องกระทำในการที่จะกำจัด การเวียนว่ายตายเกิดให้หมดสิ้นไปจากใจของพวกเราดังนั้นสิ่งที่เราต้องเชื่อก็คือพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อพระอริยสงสาวกคำว่าเชื่อนี้ก็คือให้เชื่อเหมือนกับนักเรียนเชื่อครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ท่านเป็นเหมือนครูบาอาจารย์ เป็นคนที่จะสั่งสอนที่จะบอกให้เรากระทําสิ่งที่จะทําให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองถ้าเราไม่เชื่อฟังเราไม่กระทําตามคําสั่งคําสอนเราก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเกิดแ ก, ก่เจ็บตายได้นะดังนั้นสิ่งที่เราต้อง สร้างขึ้นมาในเบื้องต้นก็คือศรัทธาความเชื่อเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่ได้ส่งค้นพบวิธีที่จะทำให้จิตใจของสัตว์โลกอย่างพวกเรานี้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ได้ค้นพบทางและได้ดำเนินตามทางนี้ ไปจนถึงจุดหมายปลายทางของทางนี้คือมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานก็คือระดับของการตัดภพตัดชาติตามลำดับนับตั้งแต่เจ็ดชาติไปจนกระทั่งศูนย์ชาติคือไม่มีการกลับมาเกิดอีกต่อไปพระพุทธเจ้าได้ไปถึงจุดนี้แล้วได้ไปได้มรรคได้ผลได้ได้นิพพานแล้ว ได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายแล้วแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์โลกทั้งปวงอย่างพวกเราที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายอยู่เลยนำเอาความรู้ที่ได้ส่งค้นพบคือทางสู่การสิ้นสุดของการเกิดแก่เจ็บตายนี้ มาเผยแผ่สั่งสอนผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดไม่นานก็จะสามารถาได้รับผลจากการปฏิบัติตามคำสอนคือได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามลำดับกันบุคคลเหล่านี้เราเรียกว่าพระอริยบุคคล ซึ่งก็เป็นเหมือนพวกเราในเบื้องตน้นเป็นบุคคลที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายอยู่แต่พอได้รับฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความศรัทธาเชื่อมัน่นเชื่อว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าได้ปฏิบัติตามแล้วจะได้รับผลตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้ทุกประการ เมื่อมีความเชื่อก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพอได้ปฏิบัติแล้วก็จะได้รับผลบรรลุเป็นพระอริยบุคคลต่างๆบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆ มรรคผลนี้มีอยู่สี่ขั้นด้วยกันมรรคผลขั้นที่หนึ่งเรียกว่าโสดาบันขั้นที่สองเรียกว่าสกิดาคามีขั้นที่สามเรียกว่าอนาคามีขั้นที่สี่เรียกว่าอารหันต์พอได้มรรคผลขั้นที่สี่ก็จะได้ถึงพนานิพานพานิพานก็คือ การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารหรือในสังสารวัฏนี่เองจะไม่มีการกลับมาเป็นมนุษย์อีกต่อไปไม่มีการมาเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมไม่มีการไปเกิดไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือไปตกนรกอีกต่อไปเพราะจิตใจได้หลุดออกจาก แรงดึงดูดของสังสารวัฏแล้วเปรียบเหมือนกับยานอาวากาศที่ได้พุ่งทยานออกจากแรงดึงดูดของโลกไปท่องในอาวากาศพวกนี้จะไม่มีวันกลับมาอีกแล้วพวกยานอาวากาศต่างๆที่ถูกส่งไปสำรวจตามดาวต่างๆเชนยานที่ไปสำรวจดาวอังคารไปสำรวจพระอาทิตย์ ไปสำรวจดวงจังนทร์นี้พวกนี้เขาไม่กลับมาสู่โลกของเราอีกแล้วเพราะแรงดึงดูดของโลกนี้ไม่มีอิทธิพลไปถึงโลกอื่นจึงไม่สามารถดึงยานอวากาศต่างๆที่ได้ออกไปจากแรงดึงดูดของโลกนี้ให้ตกกลับมาในโลกนี้อีกฉันใดผู้ได้ได ผู้ที่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นเหมือนยานวาวกาศที่จะพุ่งออกจากโลกนี้ไปไปให้ห่างไกลจากแรงดึงดูดของโลกที่จะดึงให้กลับมาในเบื้องต้นก็ยังไปไม่สุดขั้นแรกนี้ก็ไปไป ไปไปแล้วแต่ยังต้องกลับมาอีกไม่เกินเจ็ดชาติขั้นพระสโสดาบันพอได้ออกจากแรงดึงดูดของโลกแต่ยังไม่ส้นยังไม่พ้นแรงดึงดูดไปได้แต่ยังต้องถูกดึงกลับมาแต่ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากท่านที่สองก็จะไปเราจะกลับมาเพียงหนึ่งชาติ กิดจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงอีกหนึ่งครั้งเท่านั้นเองถ้าขั้นที่สามขั้นพระนาคามีนี้ก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่ยังไปติดอยู่ในขั้นของเทพรหมโลกยังจะกลับยังจะเกิดอยู่ในพรหมโลกและจะออกจากพรหมโลกต่อไปหลังจากที่ได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคบถ้วนทุกประการ ก็จะเป็นขั้นที่สี่คือขั้นพระอาหารหันต์ขั้นพระอาหารหันต์นี้เป็นผู้ที่ได้ดึงจิตใจให้ออกจากแรงดึงดูดของสังสารวัฏแล้วแรงดึงดูดของสังสารวัฏนี้ไม่มีกำลังที่จะดึงให้จิตใจของพระอาหารหันต์นี้กลับเข้าสู่ในวัฏสงสารได้อีกต่อไป จิตของผู้ที่ได้ออกจากสังสารวัฏก็จะอยู่ที่พระนิพพานพระนิพพานก็เหมือนอวกาศที่อยู่เหนือที่อยู่ไกลกว่าแรงดึงดูดของโลกที่จะดึงให้ยาอาวกาศนั้นกลับมาในโลกนี้ได้นั่นเองนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่พวกเรานี่ ได้มีโอกาสได้มาพบกับการได้พบกับพระพุทธศาสนานี้ก็ไม่ใช่เป็นของที่ง่ายดายโอกาสที่จะได้พบนี้เหมือนกับโอกาสที่จะได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมีใครในประเทศไทยที่มีโอกาสได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันบ้างมีคนเจ็ดสิบล้านคนทุกสิบห้าวันก็อาจจะมีถูกกันคนสองคน นี่คือโอกาสที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหนึ่งในเจ็ดสิบล้านแต่โอกาสที่จะได้พบกับพระพุทธศาสนานี้ยิ่งยากกว่าโอกาสที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอีกอีกร้อยเท่าพันเท่ายิ่นัการที่ได้มาถูกมาพบกับพระพุทธศาสนานี้ต้องถือว่าเป็นโชคมันมหาศารเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ ที่นานๆสัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดอย่างพวกเราจะได้มีโอกาสได้พบกันสักครั้งหนึ่งคือได้มีโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้เองแต่การได้พบกับพระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียวนี้ยังไม่รับประกันการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็เหมือนกับการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง ก็ยังไม่ได้หมายความว่าจะได้รับรางวัลเพราะเมื่อถูกอาตเตอรี่แล้วถ้าทาตั๋วหายก็ไปรับรางวัลไม่ได้ต้องรักษาตั๋วไว้แล้วก็ต้องเอาตั๋วนี้ไปขึ้นรางวัลถึงจะสามารถรับรางวัลได้การที่พวกเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มานับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของพวกเรา ก็เป็นเพียงการได้ถูกรอตรีรางวัลที่หนึ่งแต่ยังไม่ได้ไปขึ้นรางวัลสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำหลังจากที่เราได้เป็นชาวพุทธแล้วก็คือเราก็ต้องมีศรัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องศึกษา เมื่อเรามีศรัทธาในคำสั่งคำสอนเราก็ต้องศึกษาคำสั่งคำสอนให้รู้อย่างแจ้งชัดว่าคำสั่งคำสอนของพระพรุทธเจ้านี้สอนให้เราปฏิบัติอะไรกันให้เราทำอะไรกันก็เหมือนกับเวลาที่เราไปขึ้นรางวัลที่หนึ่งที่สลากกินแบ่งสำนักงานสลากกินแบ่งเขาก็จะมีกฎระเบียบให้เราทำตาม เช่นเราต้องเอาหนังสือสําคัญในต่างๆไปยืนยันว่าเราเป็นมีตัวมีตนจริงๆแล้วก็มีสลากที่เราถูกนี่เป็นสลากที่ไม่ใช่เป็นสลากปลอมต้องมีการยืนยันเราก็ต้องทําตามขั้นตอนของสํานักสลากกินแบ่งเขาให้เราทําอะไรเราก็ต้องทําตามเขาเขาให้เรากรอบชื่อ กรอกฟอร์มอะไรต่างๆแสดงความหลักฐานว่าเราเป็นใครอยู่ที่ไหนต้องทำตามที่เขากำหนดไว้เมื่อเราทำครบทุนบริเรณในข้องเงื่อนไขต่างๆเขาก็จะอนุมัติจ่ายเงินให้กับเราให้รางวัลกับเราเช่นเดียวกับการรับรางวัลของพระพุทธศาสนา การจะรับรางวัลคือมรสีผลสีนิพพานหนึ่งนี้ก็จําเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พระพุทธเจ้าได้ส่งกําหนดเอาไว้ให้ผู้ที่ต้องการที่จะรับรางวัลของพระพุทธศาสนา น, นั่นเองดังนั้นถ้าเราต้องการมรสีผลสีนิพพานหนึ่ง เราต้องการที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องการที่จะไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปเราก็ต้องทำตามขั้นตอนทำตามเงื่อนไขที่พระพุทธเจ้าได้สรงกำกำหนดไว้พระพุทธเจ้าก็ทรงกาหนดเงื่อนไขของการารับรางวัลของพระพุทธศาสนานี้ไว้สาม ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งก็ให้เราสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่เราใช้ตามความอยากต่างๆเงินทองที่เราใช้กับสิ่งจำเป็นนี้ไม่ต้องไม่ต้องสละให้เก็บเอาไว้เงินทองที่เราต้องใช้เลี้ยงดูปากท้องเช่นปัจจัยสี่อันนี้เป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีต้องมีไว้เลี้ยงดูร่างกาย ให้ร่างกายของเราอยู่เย็นเป็นสุขไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ตายไปก่อนเวลาอันควรเราต้องมีปัจจัยสี่คือมีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมียารักษาโรคมีที่อยู่อาศัยถ้าเรามีพอเพียงแล้วแล้วเรามีเงินเหลืออยู่เงินที่เราเอาไปใช้ตามความอยากต่างๆนี่ ไม่ควรจะเอาไปใช้ตามความอยากเพราะการใช้เงินตามความอยากนี้เป็นการซื้อภพชาติให้มีเพิ่มมากขึ้นการทำตามความอยากสามประการคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลถัพะเช่นอยากเที่ยวอยากดูอยากฟังอะไรต่างๆเหล่านี้เรียกว่ากามตัณหาความอยากในกามคุณห้าอย่าเอาเงินไปใช้กับความอยากเหล่านี้ เพราะการเป็นเหมือนเติมน้ํามันให้กับวัตตะสงสารเติมน้ํามันให้กับจิตใจให้เวียนว่ายตายเกิดต่อไปเราต้องหยุดเติมน้ํามันหยุดใช้เงินทองไปกับการทําตามความอยากถึงแม้ว่ามันจะให้ความสุขกับเราก็ตามแต่มันเป็นความสุขแบบประเดียวประดาวเป็นความสุขชั่วคราวเช่นเวลาไปเที่ยวเราก็มีความสุขกัน แต่พอเรากลับมาความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปหมดอยู่บ้านเราก็จะเริ่มรู้สึกเหงาว้าเหวเหมือนเดิมนี่ไม่ใช่เป็นวิธีแก้วความเหงาความว้าเหวด้วยการไปเที่ยวกันวิธีที่จะแก้วความเหงาความว้าเหว้พระพุทธเจ้าบอกให้เอาเงินเอาเงินที่เราจะไปเที่ยวกันนี้ไ ป, ไปใช้ตามความอยากเหล่านี้ให้เอาไปทําบุญทําทานแทน พอเวลาเราได้ทำบุญทาทานแล้วเราจะกำจัดความอยากไปเที่ยวได้ความเหงาความว้าเหวมันเกิดจากความอยากไปข้างนอกอยากไปเที่ยวพอไม่ได้ไปอยู่บ้านคนเดียวก็รู้สึกเหงาว้าเหวขึ้นมาแต่ถ้าเราเอาเงินไปทำบุญทาทานแล้วเราจะระ ง, งับความอยากไปเที่ยวได้เราจะทำให้เวลาเราอยู่บ้านเราจะไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าเหว เราจะรู้สึกมีความสุขอยู่กับบ้านอยู่บ้านมีความสุขกว่าไปเที่ยวเยอะแยะแต่ความเหงาความว้าเวที่เกิดจากความอยากมันทำให้เราไม่อยากอยู่บ้านกันเท่านั้นเองแต่ถ้าพูดถึงความสบายแล้วที่ไหนจะสบายกว่าบ้านเราเวลาไปเที่ยวก็ต้องไปอยู่บ้านคนอื่นอยู่โรงแรมอยู่สถานที่ที่เราไม่เคยไปอยู่อาหารการกินก็ต้องหากันต้องอะไรกัน ยุ่งยากไม่เหมือนกับของถ้าอยู่บ้านนี่มีของทุกอย่างครบบริบูรณ์ที่นอนที่พักอาหารการกินอะไรทุกอย่างมีพร้อมบริบูรณ์สะดวกสบายกว่าการไปเที่ยวเยอะแยะบางทีไปเที่ยวต่างประเทศไปเจออาหารที่กินไม่ลงอีกไปกินเจออาหารต่างประเทศแทนที่จะมีความสุขบางทีท้องเสียเลยแล้วกินไม่อิ่มะ นี่เป็นสิ่งที่พวกเราคงจะรู้กันถ้าเคยไปเที่ยวมาจะรู้ว่าระหว่างไปเที่ยวกับอยู่บ้านนี้ความสะดวกสบายนี้สู้อยู่บ้านไม่ได้เพียงแต่ว่าเวลามันอยู่บ้านมันมีความรู้สึกเหงามีความรู้สึกว้าเหวเท่านั้นเองจึงต้องไปเที่ยวกันมันจะได้หายว้าเหว้แต่ความสุขความสบายเรื่องการกินการนอนนี้สู้บ้านเราไม่ได้หรอกอ แต่ถ้าเราเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทำบุญทำทานเนี่ยเราจะมีความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาแล้วเวลาเราอยู่บ้านจะไม่รู้สึกเหงาจะไม่รู้สึกว้าเวเราจะอยู่บ้านอย่างมีความสุขได้นี่คือขั้นตอนแรกคือพระพุทธเจ้าให้เราเลิกใช้เงินไปกับการทำความอยากต่างๆ นอกจากการเที่ยวแล้วก็คือการซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อไม่ต้องมีเพราะของที่จำเป็นต้องมีต้องซื้อนี่เรามีครบอยู่แล้วก็คือปัจจัยสี่ของนอกเหนือจากปัจใจปัจจัยสี่นี้เราถือว่าเป็นของฟุ่มเฟือยเป็นของที่ที่เกิดจากความอยากที่เราต้องกําจัดเพราะว่าถ้าเรา ไปทำตามความอยากมันจะทำให้เราอยากไปเรื่อยๆอยากมากขึ้นไปเรื่อยๆซื้อของอันนี้แล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้อันนู้นต่อเดินไปตามห้างนี้พอเห็นอะไรสวยๆงามๆชอบก็อยากจะซื้อทันทีทั้งๆ ท, ที่ไม่รู้จะซื้ออาไปทำอะไรแต่ก็ซื้อไปเก็บไว้ก่อนซื้อไปเอาไปโชว์เอาไปเก็บแล้วพอเดินไปอีกสองร้านเอาเจอของอีกอย่างแล้วอยากจะได้อีกแล้ว มันก็จะทำให้เราอยากจะซื้ออยู่เรื่อยๆพอซื้อก็มีความสุขเดียวๆตอนที่ได้มาใหม่ๆพอสักพักหนึ่งก็ไม่มีความรู้สึกอะไรกับสิ่งที่เราได้มาแล้วไปตั้งไว้อยู่ในบ้านเฉยๆเวลาดูก็ไม่เหมือนกับตอนที่มันอยู่ในร้านตอนอยู่ในร้านตอนที่ได้ออกมาจากร้านนี่โอ้มันรู้สึกก็มีความสุขมากมาย แต่พอมาตั้งอยู่ในบ้านแล้วดูยังไงมันก็ไม่สุขเหมือนตอนที่มันอยู่ในร้านมันก็เลยต้องไปหาของที่อยู่ในร้านใหม่เพื่อเพื่อมันจะได้ความสุขแบบนั้นอีกก็เลยต้องไปซื้อของใหม่ๆอยู่เรื่อยๆต้องไปเดินห้างกันอยู่เรื่อยๆถ้าเดินห้างในเมืองไทยหมดแล้วไม่มีห้างจะให้เดินแล้วก็ต้องไปเดินเมืองนอกต่อไปเมืองนอกเมืองนา ไปปารีสไปลอนดอนไปนิวออยล์ไปหาสิ่งต่างๆที่จะให้ความสุขแต่ไปซื้อมากี่ล้านมันก็เป็นความสุขแบบเดียวกันเดี๋ยวเดียวเดียเด๋ยวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็รู้สึกเฉยๆกับสิ่งที่ได้มาแล้วแล้วพอไม่ได้ซื้อใหม่ก็งดหิตรำคาญใจแล้ว อยู่เฉ ย, เฉยไม่ได้ไม่มีความสุขทั้งๆ ท, ที่ได้ซื้อของที่ให้ความสุขกับเรามาต้องเยอะแยะมีเต็มอยู่ในบ้านไม่หมดแต่มองมันไม่เหมือนกับตอนที่มันเหมือนอยู่ในร้านตอนที่อยู่ในร้านนี่มันรู้สึกว่า โ, โหมันเหมือนกับสวรรค์พอมาอยู่บ้านเราแล้วมันรู้สึกเป็นของธรรมดาสามัญ น, นี่คือมันใจแล้วถูกหลอกเอง ของไม่ไม่มีคุณค่าราคาอะไรหรอกเราไปคิดว่ามันมีคุณค่ากันนั้นมันก็เป็นวัตถุเท<ม>่านั้นนะ่ะเพียงแต่เราไปสมมุติว่ามันเป็นทองคำบ้างเป็นทองคำขาวบ้างนี่ก็มีข่าวว่าจะทำเหรียญทองคำขาวมาเนื่องในวันฉลองพระราชาพิเศษราคาไม่รู้กี่ล้านก็ไม่ทราบตอนหนึ่งเหรียญมันก็เป็นการสมมติขึ้นมาใครเป็นคนตั้งราคาว่ามันกี่ล้าน ของมันก็อยู่ในดินใครไปขุดมาได้ก่อนก็สามารถที่จะเอามาขายได้ท่านั้นเองมันอยู่ในดินหรือเอามาอยู่นอกดินมันก็เป็นวัตถุดีๆนี่นะมันไม่ได้ทำให้คนที่ไปเป็นเจ้าของมานี้วิเศษวิสโสในทางด้าน จิตใจเลยคือไม่ได้มาทำให้พบชาติการเวียนว่ายตายเกิดมันลดน้อยถอยลงไปไม่ได้ทำให้ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้หายไปแต่อย่างใดมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่ความรู้สึกที่มันได้ตอนใหม่ๆเท่านะั้นน่ะมันเป็นตัวหลอกให้ยินดีอยากจะได้มาอันนี้เราต้องใช้ปัญญา ต้องใช้เหตุผลเราถึงจะรู้ว่าเรากำลังถูกหลอกไม่ใช่ใครหลอกเราหลอกเราหลอกตัวเราเองเราหลงความหลงมันหลอกให้เราคิดว่าเป็นของวิเศษคิดว่าจะทำให้เรามีความสุขอย่างสุดๆแต่มันเป็นความสุขแบบสุดๆแบบงูแลบลิ้นจุดสเดุเดี๋ยวๆได้มาแป๊บแล้วเดี๋ยวมันก็หายไป แล้วหลังจากนั้นดูมันกี่ครั้งมันก็ไม่สุขแบบสุดๆเองต่อไปมันจะสุขแบบเฉยๆไม่มีความสุขจนกว่าจะได้ของใหม่มาอีกครั้งหนึ่งของเหล่านี้มันจะทำให้เราต้องหาอยู่เรื่อยๆแล้วเมื่อหาอยู่เรื่อยๆเงินทองที่เรามีมันก็จะต้องหมดหรือต้องมีน้อยลงไปเมื่อมันน้อยลงไปมันก็จะต้องทำให้เราต้องไปหาเงินทองมาเพิ่ม เพราะเราไม่อยากจะอยู่แบบไม่มีเงินทองกันเพราะเรารู้ว่าเวลาไม่มีเงินทองนี่มันเป็นอย่างไรมันก็เลยกดดันให้เราต้องไปหาเงินหาทองกันชีวิตของเราก็เลยติดอยู่ในวงจรอุบาทนี่ในวงจรของการหาเงินพอได้เงินมาก็ใช้เงินตามความอยากพอใช้ไปตามความอยากมันก็หมดหมดก็ต้องหาใหม่ มันก็จะติดอยู่ในวงจรนี้จะไปทำอะไรอย่างอื่นตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ทำไม่ได้ถึงแม้ถึงแม้มจะได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาแต่จะไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เลยจะให้ไปรักษาศีลห้าศีลแปดนี้ก็ยาก อย่าว่าแต่ขั้นศีลเลยขั้นทานนี่ก็อย่างยากลองถ้าอยากจะเอาเงินไปซื้อของตามความอยากแล้วมันจะไม่อยากออกไปทำบุญทำทานเนี่ยถ้าทําก็ทําเพื่อเอาหน้าท่าหนึ่งทาเพื่อไม่เสียหน้ า, าทํสัะหน่อยมีมีมีงานมีอะไรเขาส่งซองกระถินซองผ้าป่ามาก็ทําไปตามาตามมารยาทแต่ไม่ได้ทําแบบเพื่อที่จะ เป็นประโยชน์สุขกจิตใจอย่างจริงจังพวกนี้ทาบุญไปแบบไม่รู้สึกว่าทาแล้วได้อะไรเพราะเขาไม่ได้ทําแบบจริงจังจริงใจเขาทําเพราะเป็นการเป็นการเหมือนกับเป็นจ่ายนี่สังคมภาษีสังคมอยู่ในสังคมก็มีการที่จะต้องผลัดกันช่วยเหลือกันเขามีงานเราก็ต้องช่วยเขาเรามีงานเขาก็ช่วยเรา อันนี้ไม่ได้เป็นการทำบุญทาทานแบบที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้กระทำนะการทำบุญทาทานแบบของพระพุทธเจ้านี้ต้องการตัดความอยากที่เป็ น, เ, ปนเชื้อเพลิงเชื้อของภพชาตินั่นเองภพชาติจะมีมากมีน้อยอยู่ที่ความอยากของเรามีมากมีน้อยยิ่งมีความอยากมากภพชาติก็จะมีมากมีความอยากน้อยภพชาติก็จะมีน้อย เป้าหมายของคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าของการปฏิบัตินี้อยู่ที่การตัดเชื้อของภพชาตินี้เองเชื้อของภพชาติคือตันหาความอยากสามประการการมตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพะภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอันนี้เป็นตัวที่จะมาคอย ดึงให้จิตใจของเรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดพระพุทธเจ้าก็เลยต้องมาสอนพวกเราให้แก้ปัญหานี้ด้วยการตัดความอยากต่างๆถ้าเราใช้เงินทองสนับสนุนความอยากเราก็ต้องยุติเหมือนกับเราให้เงินโจรมาปล้นบ้านเราดีๆนี่เองไปจ้างโจรมาทำร้ายเรา การที่เราใช้เงินตามความอยากต่างๆนี้มันมาทำลายจิตใจของเราโดยโดยที่มันหลอกให้เรารู้สึกดีใจช่วงที่เราได้ใช้เงินไปเท่านั้นเองแต่มันจะทำให้เราต้องติดอยู่ในการหาเงินใช้เงินแบบนี้ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดตายไปก็จะกลับมาอยากจะมาหาเงินใช้เงินแบบเดิมเอง มันจะเป็นถ้าตาบใดยังมีความอยากใช้เงินตามความอยากอยู่มันก็ต้องมีความอยากหาเงินตามความอยากราอต้องหาเงินเพื่อที่จะได้มีเงินมาใช้ตามความอยากเมื่อมีความอยากมันก็จะกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆพอร่างกายนี้ตายไปใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากที่มีอยู่ในใจมันก็จะเป็นตัวดึงใจให้กลับมามีร่างกายอันใหม่ เพราะเราต้องมีร่างกายอันใหม่เราถึงจะมาหาเงินหาทองกันได้เพราะเราหาเงินหาทองได้เราก็จะได้เอาเงินทองนี้มาใช้กับความอยากต่างๆนี่นี่คือขอให้เราค่อยกําจัดความอยากเช่นตอนนี้บางที่บางคนก็อยากจะเป็นสอสอเป็นอะไรกันก็ต้องเสียเงินหาเสียงกันต้องลงทุนก็ต้องใช้เงิน คนที่ไม่มีเงินก็เป็นหาเสียงไม่ได้เหตุนั้นถ้าคนที่อยากจะตัดภบตัดชาติก็เอาเงินที่จะไปหาเสียงนี้ไปทําบุญเสียแล้วก็ลาออกจากการสมัครเป็นสอเอเพราะนี่เป็นภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นสอสอก่อนนะพอเป็นสอสอแล้วก็อยากจะเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีก็อยากจะเป็นนายกต่อไป เป็นนายกก็อยากจะเป็นหลายสมัยความอยากมันต่อไปเรื่อยๆได้คือก็อยากจะได้สอบได้สอบ ก, ก็อยากจะได้วาไม่มีวันสิ้นสุดเรื่องของความอยากพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบว่ามาหาสมุทรนี้ยิ่งใหญ่ไพศาลขนาดไหนมันก็ยังมีขอบมีฝัง่งแต่ความอยากนี้มันไม่มีขอบไม่มีฝัง่งได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักคำว่าพอ มีแต่ยากได้เพิ่มมากขึ้นไปได้เรื่อยๆไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวที่ฉุดร่างให้เรากลับมาเกิดกันไม่รู้กี่แสนล้านครั้งแลน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละพบแต่ละชาตินี่ถ้าเรามารวบรวมกันแล้วนี่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่ามากยิ่งกว่าน้าในมหาสมุทรคิดดูว่าต้องกลับมาเกิดกี่ครั้งถึงจะหลั่งน้ำตาให้มากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทร นั่นแหละคือปริมาณของความทุกข์ที่พวกเราได้สะสมกันมาหลังน้ำตามากยิ่งกว่าน้ำในมาหาสมุทรและจะหลั่งอย่างนี้ต่อไปอีกไม่มีวันสิ้นสุดลงจนกว่าเราจะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยเฉพาะขั้นที่หนึ่งก่อนที่เราจะไปขั้นที่สองขั้นที่สามนี่เราต้อง ผ่านขั้นที่หนึ่งให้ได้ก่อนเราต้องเลิกใช้เงินทองซื้อของตามความอยากซื้อตามความจำเป็นได้อยู่ถ้ามีความจำเป็นจะต้องใช้ของซื้อมามีเหตุมีผลไม่เป็นตันหาไม่เป็นความอยากเพราะมัน <c oughs> มันจะเป็นเฉพาะกิจถ้ามีเหตุก็ซื้อมันพอไม่มีเหตุก็ไม่ซื้อเช่นมีงาน จำเป็นจะต้องใส่ชุดที่เราไม่มีก็ต้องไปซื้อชุดที่เราไม่มีมาใส่แต่มันก็จะซื้อชุดเดียวไม่ใช่จะซื้อไปเรื่อยๆพอมันพอมีชุดที่เราต้องการแล้วมันก็หยุดซื้อพอไม่มีความจำเป็นจะต้องซื้อก็ไม่ซื้อเงินทองที่เรามีอยู่ที่เหลือจากปัจจัยสีน่นี้พระพุทธเจ้าก็ทรงบอกว่าเรามีควรจะทำสองอย่างด้วยกัน อย่างที่หนึ่งก็ควรจะเก็บสำรองไว้บ้างเผื่ออนาคตที่ไม่แน่นอนเราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเราจะแข็งแรงทำมาหากินหาเงินหาทองอย่างที่เราทำกันอยู่ในขณะนี้ได้ตลอดไปหรือไม่ก็ต้องมีอะไรรับประกันไว้บ้างซื้อประกันชีวิตซื้อประกันสุขภาพอะไรไปแล้วก็เก็บสำรองไว้ หรือนำเอาไปลงทุนก็ได้สําลองแบบลงทุนคือถ้าเก็บไว้เฉยๆมันอาจจะไม่มีรายได้เพิ่มเติมก็อาจจะไปลงทุนไปร่วมหุ้นกับบริษั tn ุนบริษัทนี้เพื่อที่จะได้มีรายได้เพิ่มเติมขึ้นมาแต่แบบที่เราไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปทําอะไรเพียงแต่ไปเป็นหุ้นส่วนก็คือไปซื้อหุ้นของบริษัทต่างๆที่มี ผลตอบแทนที่ดีอันนี้ก็เป็นการารับประกันอนาคตที่ไม่แน่นอนอีกส่วนหนึ่งก็ให้เอาไปทำบุญคือส่วนไหนที่เราจะไปใช้กับความอยากเราต้องอยา่าต้องต้องแย่งกันอย่าให้ความอยากแย่งไปให้เอาไปทำบุญทำบุญเป็นการตัดความอยากเป็นการหยุดความอยากทุกครั้งที่เราอยากใช้เงินแล้วเราไม่ใช้นี้ก็เท่ากับเรา หยุดความอยากเหมือนกับคนที่เขาเลิกสูบบุหรี่ทุกครั้งที่เขาอยากจะสูบบุหรี่เขาก็ไม่สูบพอเขาไม่สูบต่อไปไม่กี่ครั้งความอยากสูบบุหรี่ก็หายไปเขาก็เลิกสูบบุหรี่ได้สันไดการอยากใช้เงินทองตามความอยากต่างๆก็เหมือนกันถ้าทุกครั้งที่เราอยากจะใช้เงินไปตามความอยากถ้าเราไม่ใช้ได้เอาเงินไปทำบุญทำทานแทนได้ เราจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการทาบุญทาทานจะให้ความสุขใจอิ่มใจสบายใจจะทำให้เกิดความพอใจทำให้ไม่มีความอยากที่จะไปใช้เงินตามความอยากทำให้เราไม่ต้องอดิ้นรนหาเงินมากเพราะว่าเมื่อเราไม่มีความอยากใช้เงินตามความอยากถ้าเราไม่มีเงินจะ ทำบุญเราก็ไม่ต้องทำการทำบุญนี้เป็นเหมือนกินยากินยาเพื่อระ ง, งับความอยากใช้เงินพอความอยากใช้เงินมันหายไปแล้วเราจะทำบุญก็ได้ไม่ทำบุญก็ได้ไม่มีปัญหาเมื่อเราไม่ใช้เงินตามความอยากรายรายจ่ายก็จะน้อยลงเราก็ไม่ต้องทำงานมากก็ได้ไม่ต้องทำงานมาก เมื่อเราไม่ทํางานมากเราก็ไม่ต้องโกหกหลอกลวงมากเขอ้อช่อโกงมากคนที่ต้องทํางานหาเงินหาไรายได้มากๆนี้มักจะห้ามใจตัวเองไม่ให้โกหกหลอกลวงไม่ได้ไม่ให้ช่อโกงไม่ได้เพราะความอยากได้เงินมากๆนั่นเอง แต่พอเราไม่มีความอยากได้เงินมากๆเราก็หากินแบบซื่อสัตว์สุดจริตได้เราก็จะสามารถขึ้นสู่ขั้นที่สองของการปฏิบัติได้คือการรักษาศีลรักษาศีลห้าการรักษาศีลห้าก็จะทำให้เราตัดปัญหาต่างๆที่ตามมาได้เยอะแยะไปหมดกนะ่อนที่มีปัญหา ที่ต้องไปติดคุกติดตารางต้องไปขึ้นลงศาลก็เกิดจากการทำผิดศีลห้านี้่ไม่ว่าจะเป็นช่อโกงลักทรัพย์ของผู้อื่นโกหกหลอกลวงหรือไปทำอะไรที่ทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนพอเราตัดความอยากที่จะหาเงินมากๆได้เราก็ไม่ต้องทำบาปได้ เราก็จะเริ่มรักษาศีลห้าได้เราก็จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่โกหกหลอกลวงไม่เสพสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆได้การเสพอบายามุขก็ไม่ดีเพราะมีแต่เสียเงินเหมือนกับใช้เงินตามความอยาก เ, เดิมสราเล่นการพ น, นันเที่ยวกลางคืนเที่ยวเตะท่องเที่ยวอะไรเหล่านี้ มันมีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับถ้าเสพไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวเงินก็ไม่พอใช้ไม่พอใช้ก็ต้องหาเงินเพิ่มถ้าหาแล้วยังไม่ได้ก็ต้องหาโดยวิธีโกงชอบโกงโกหกหลอกลวงคอร์รัปชันต่างๆอนี่คือที่มาของคอร์รัปชันในประเทศไทยคือการอยากได้เงินเยอะ อยากได้เงินมากกว่าเงินเดือนที่ตนเองได้มันก็ต้องคอลรัปชั่นที่มันอยากได้เพราะมันใช้มากกว่าที่เงินเดือนจะได้ที่ได้มาจากเงินเดือนเงินเดือนไม่พอใช้ก็ต้องคอลรัปชั่นกันแต่ถ้าเราตัดการใช้เงินตามความอยากต่างๆได้เราจะใช้เงินไม่มากเพราะเงินที่เราต้องใช้มันเป็นแค่ปัจจัยสี่ปัจจัยสี่นี้วันละสามร้อยก็อยู่ได้แล้ว ข่้แรงขั้นต่ำนี่ก็อยู่ได้สามร้อยนี่กินสามมือวันละมือละลอยนี่ก็เหลือเฟือแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำบาปทำกรรมเลยการไม่ทำบาปนี้จะทำให้เราปิดประตูบ่ายได้การตานที่การเวียนว่ายตายเกิดของเรานี้ท่านแบ่งไว้สองสองซีกด้วยกันซีกที่เรียกว่าสุขคติกับซีกที่เรียกว่าทุกขติ สุคติก็คืออบายสี่การไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสูรกายไปตกนรกนี่ไปเพราะทำบาปเไปเพราะไม่รักษาศีลห้าผู้ที่รักษาศีลห้าได้ก็จะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายไปอยู่ในภาคของสุคติคือตายไปแล้วถ้าไม่ได้ทำบาปแต่ยังไม่ได้ทำบุญเลยก็ไ ป, ไ ป, ไปกลับมาเป็นมนุษย์ต่อ แต่ถ้าได้ทำบุญก็ได้ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ก่อนไปเป็นเทวดาก่อนแล้วหลังจากบุญที่ได้ส่งให้ไปท่องเที่ยวในสวรรค์หมดลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือประโยชน์ของการรักษาศีลห้าเพราะว่ากว่าที่เราจะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เราอาจยังต้องเวียนว่ายหลายภพหลายชาติอยู่ อย่างน้อยก็ให้เราเวียนว่าตายเกิดในภพชาติที่มันดีที่มีความสุขมากกว่าความทุกขนะ์เนี่ยภพชาติที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์ก็คือภพของเทวดาต่างๆภพที่มีความสุขความทุกข์พอๆกันก็คือภพของมนุษย์เหล่านี้แหละมนุษย์เหล่านี้อยู่กลางๆ ม, ามีสุขกับทุกข์พอๆกันสามวันสุขสี่วันทุกข์สลับกันไปสลับกันมา แต่ถ้าต่ำกว่ามนุษย์นี่มันจะมีทุกข์มากกว่าสุขถ้าไปเกิดเป็นเดลัดลฉานี่มันทุกข์มากกว่ามนุษย์ถ้าเป็นเปรตเป็นอาสุรกายไปตกนรกนี่มันมีทุกข์มากขึ้นไปตามลําดับแต่ถ้าเรารักษาศี่ห้าได้ถ้าเรายังไม่ไปถึงนิพพานอย่างน้อยเราจะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายนี่คือประโยชน์ของการรักษาศี่ห้า การไปเกิดนอบายได้แล้วจะเป็นฐานกำลังของการส่งให้จิตเราปฏิบัติธรรมที่สูงขึ้นอีกขั้นหนึ่งได้คือขั้นภาวนาการภาวนานี้จะภาวนาได้ต้องเพิ่มศีลจากศีลห้าไปเป็นศีล8ถ้าเรายังรักษาศีลห้าไม่ได้อย่าไปคิดถึงศีล8เลยใช่ั้ยก่อนที่เราจะรักษาศีลแดได้นี่เราต้องรักษาศีลห้าให้ได้ก่อน ศีลห้ามันง่ายกว่าศีลแปดนะถ้าเราอยากจะรักษาศีลแปดเราก็ต้องรักษาศีลห้าพอเรารักษาศีลห้าได้แล้วทีนี้เราก็มีกําลังที่จะลองรักษาศีลแปดนะตอนต้นเราก็ลองอาทิตย์ละวันเช่นวันพระที่พุทธเจ้าได้ทรงคำบัญญัติไวน้นี้ก็เพื่อให้เรามาลองรักษาศีลแปดกันดูนั่นเองวันธรรมดาก็ให้รักษาศีลห้าพอวันพระวันที่เราไม่ต้องไปทํางาน สมัยก่อนวันพระนี้เป็นวันหยุดทำงานสมัยนี้มันไม่ตรงกับวันหยุดทำงานเราก็ต้องเปลี่ยนวันพระให้มาตรงกับวันหยุดทำงานวันหยุดทำงานของเราสมัยนี้คือวันเสาร์วันอาทิตย์เราต้องเอาวันเสาร์อาทิตย์นี้มาเป็นวันพระไม่เช่นนั้นเราจะเอาเป็นวันเที่ยวกันส่วนใหญ่พอเสาร์อาทิตย์ก็จะไปเที่ยวกันพอวันพระก็อ้างว่าต้องไปทางานก็เลยไม่ต้องไปวัดสักวันไม่มีวันไหนเข้าวัดได้ นี่เราต้องมาแก้นะเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วสมัยก่อนเราหยุดทํางานในวันพระกันไม่มีข้ออ้างว่าไม่ว่างต้องไปทํางานนะเพราะว่าวันพระหยุดทํางานกันสมัยโบราณเมืองไทยนี้เราหยุดทํางานในวันพระกันพอวันพระคนก็เข้าวัดกัน สมัยโบราณคนถือจึงเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีกว่าคนสมัยปัจจุบันมีความซื่อสัตย์สุดจริญมีมีศีลมีธรรมมากกว่าคนปัจจุบันเพราะคนโบราณเขามีเวลาเข้าวัดกันอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็เขาได้เข้าวัดหนึ่งครั้งได้ไปฟังเทศฟังธรรมได้ไปรักษาศีลได้ไปปฏิบัติธรรมไปหล่อล้อมจิตใจให้มีความอ่อนโยนมีความเมตตามีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันนั่นเองคร แต่สมัยนี้ไม่มีเวลาเข้าวัดแล้วเพราะว่าวันหยุดมันไม่ตรงกับวันพระนั่ะงั้นเราต้องมาปฏิวัติต้องเปลี่ยนวันพระให้มาเป็นวันเสาร์อาทิตย์พอวันเสาร์อาทิตย์จะได้มาอ้างไม่ได้ว่าไม่มีเวลาไปวัดวันเสาร์อาทิตย์เลือกเอาสักวันหนึ่งขอถือให้เป็นวันพระแล้วก็ไปวัดกันไปทำบุญทาทาน ไนวันธรรมดาก็ไม่มีโอกาสทําบุญทำทานอ่างนี้บัวแต่ไปทํางานตื่นแต่เช้ามาก็รีบไปทํางานจะไปหาพระใส่บาตรที่ไหนก็ไม่รู้ก็เลยสบายไม่ต้องไม่ต้องทําเพราะมีเหตุผลอ้างมีข้ออ้างทําบุญทําทานก็ไม่ได้ทำวันวันหยุดก็ไม่ได้ไปวัดเนี่ยจิตใจมันก็เลยเสื่อมลงจิตใจมันก็เลยติดอยู่กับความอยากมากขึ้นไปตามลําดับ เพราะการเข้าวันี้เป็นการกําจัดเป็นการช่วยชำระความอยากต่างๆให้มันเบาบางลงนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากที่จะก้าปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าในระดับที่สามที่สำคัญที่สุดคือระดับภาวนาสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาอันนี้เป็นขั้นที่จำเป็นที่สุดในการที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ สองขั้นแรกนี้ไม่ยังทายังยุติไม่ได้เพียงแต่กันไม่ให้ไปเกิดในอบายได้เพียงแต่ส่งให้ไปเกิดในสวรรค์ได้แต่ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายมาทำตามความอยากต่อไปถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่อยากจะไปเกิดที่ไหนต้องปฏิบัติธรรมขั้นที่สามนี้ที่เรียกว่าจิตตภาวนา จิตตภาวนาถ้าแปลด้วยความหมายตรงๆก็หมายความว่าพัฒนาจิตใจสร้างจิตใจที่เป็นจิตใจที่ยังเป็นปู้ตุชนให้กลายเป็นจิตใจของพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลก็คือผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานทั้งสี่ขั้นนี้เองเราเรียกว่าพระอริยบุคคล ท่านต่างจากปุถุชนตรงที่ว่าเมื่อจิตของท่านได้เข้าสู่ระดับพระอริยแล้วจิตของท่านจะไม่เสื่อมจะไม่กลับมาเป็นปุถุชนอีกต่อไปจะไม่เวียนว่ายตายเกิดแบบไม่มีวันสิ้นสุดนะ ถ้าเป็นพระอาาริยบุคคลขั้นที่หนึ่งก็จะเวียนว่ายตายเกิดไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากแล้วจะเวียนว่ายตายเกิดในสุขคติไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายต่อไปพระอาาริยบุคคล ท, ทุกระดับนี้ปิดประตูอบายได้หมดไม่มีการไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปตเป็นอสุรกายไปตกนรกอีกต่อไปแต่ยังไม่ได้ตัดความอยากให้หมดัดสิ้นไป ก็เรา ย, ยังต้องมาถูกความอยากดึงให้กลับมาเกิดขั้นที่1ก็ยังถูกความอยากดึงให้กลับมาเกิดไม่เกิน7ชาติพอขึ้นถู่ขั้นที่2ได้ก็จะตัดความอยากให้เหลือเพียงหนึ่งชาติของการที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์พอขั้นที่สก็จะตัดความอยากที่ให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เพราะว่าตัดกามตัณหาได้หมด ความอยากเสพการจะไม่มีในจิตของพระอนาคามีพระอนาคามีนี้หาความสุขจากการทำใจให้สงบ พ, พวกที่มาถือศีลแปดมาหัดจิตตะภาวนานี้แหละเป็นผู้ที่กำลังฝึกหัดที่จะส่งจิตให้ขึ้นไปสู่ระดับพรหมโลกระดับของพระอนาคามีต้องถือศีลแปดต้องระ ง, งับการเสพการ ศีลห้านี้ไม่ห้ามให้เสพกามได้ยังร่วมหลับนอนกับแฟนได้ยังเที่ยวได้ยังดื่มยังไปงานเลี้ยงได้ไปดูหนังฟังเพลงได้ทำอะไรต่างๆได้แต่พอถ้าต้องการที่จะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นไปสู่ระดับพรหมโลกไปสู่ระดับของพระอริยบุคคลก็ต้องมีการตัดการเสพกามด้วยการถือศีลแปด เวลาถือศีลแปดเราก็จะหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันไม่ได้แล้วต้องแยกกันอยู่คนละห้องถ้าอยู่บ้านเดียวกันก็ต้องแยกกันอยู่ถ้าไปอยู่วัดก็อยู่คนละภากวัดเขาจะยากภาคผู้หญิงไว้กับจากภาคผู้ชายไม่ให้อยู่ใกล้กันเพราะเดี๋ยวความอยากมันจะดูดเข้าหากันได้แล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารมากจนเกินไป รับประทานพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอการรับประทานแบบให้ร่างกายอยู่ได้ก็รับประทานครั้งหรือสองครั้งก็พอไม่ให้รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะต้องการเอาเวลาหลังจากเที่ยงวันนี้มาฝึกจิตฝึกใจมาปฏิบัติจิตตภาวนานี้มาทาจิตใจให้สงบในขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองก็สอนจิตใจให้ฉลาด ให้รู้ทันกิเลสตัณหาทั้งหลายที่คอยหลอกให้เรากลับมาติดในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ เ, เราต้องผ่านขั้นที่หนึ่งก่อนถึงไปสู่ขั้นที่สองได้ก่อนจะไปปฏิบัติจิตตภาวนาได้ก็ต้องมีเวลาปฏิบัติการจะมีเวลาปฏิบัติก็ต้องถือศีลแปดแล้วก็ต้องมีวันหยุดทํางานวันพระถึงเป็นวันที่เหมาะที่สุด สำหรับปัจจุบันนี้วันพระก็ต้องถือว่าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์พอเรามีวันหยุดไม่ต้องไปทำงานเราก็จะได้มีเวลาไปฝึกจิตกันและการจะฝึกจิตได้อย่างเต็มที่เราก็ต้องตัดกิจกรรมต่างๆที่ไม่ควรกระทำากือการหาความสุขทางตาหูจมูกเล้นกายสินข้อที่เจ็ดก็จะห้ามให้เราไม่ให้ หาความสุขจกากมหัศลศกบันเทิงต่างๆให้ละ ง, งับการร้องลำทำเพลงละ ง, งับการเสริมสวยความงามทางร่างกายแล้วข้อที่แปก็ให้เราไม่ให้นอนมากเกินไปวิธีนอนไม่มากก็คืออย่าไปนอนบนเตียงที่มันสบายให้นอนบนเตียงนอนกับพื้นที่มันแข็งแล้วจะนอนไม่มากมันจะนอนแค่ให้ร่างกายได้พักผ่อนพอร่างกายพักผ่อนพอแล้วมันจะตื่น พอตื่นนมันจะรู้สึกไม่สบายก็จะไม่นอนต่อก็จะได้รีบลุกขึ้นมาฝึกสติเจริญปัญญานั่งสมาธิถ้านอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆเตียงสบายพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาใจก็จะไม่อยากลุกเพราะมันสบายก็เลยนอนต่ออีกสามสี่ชั่วโมงเวลาที่จะเอามาปฏิบัติธรรมเลยไม่มี พระพุทธเจ้าฉลาดท่านเลยหาวิธีกำจัดเอช่องทางที่เราจะหนีจากการปฏิบัติไปด้วยการด้วยการให้ถือศีลแปดจะหนีด้วยการไปดูหนังก็ดูไม่ได้จะหนีด้วยการไปร้องนําทําเพลงก็ไปไม่ได้จะหนีด้วยการไปงานเลี้ยงต่างๆก็ไปไม่ได้ ปิดช่องประตูหมดทุกช่องให้เหลืออยู่ช่องเดียวคือให้ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิให้ไปไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมนี่คือความฉลาดของพระพุทธเจ้าท่านรู้ทันกิเลสไะท่านรู้ช่องทางของกิเลสว่ามันจะไปทางไหนท่านรู้ว่าตันหาความอยากมันจะไปทางไหนท่านก็เลยช่วยพวกเรามาปิดช่องทางเหล่านี้ถ้าพวกเราถือศีลแปดเราก็เท่ากับได้ปิดช่องทางต่างๆของ กิเลสตันหาที่จะดึงใจเาพวกเราให้ไปหลงไหลอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองนะพอเราถือศีลแปลดได้แล้วหลังจากเทื่งวันเราก็จะว่างไม่ต้องกัวงวลถึงเรื่องอาหารเย็นละเรื่องอาหารก็จบไปเรื่องอะไรต่างๆก็ไม่ต้องทำละทีนี้ก็จะมีเวลามาฝึกจิตการจะฝึกจิตก็ต้องเริ่มที่สติเพอสติเป็นตัวที่จะควบคุมจิตให้สง บ, บให้นิ่งได้ถ้าไม่มีสติ จะเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะนั่งไปก็จะคิดฟุ้งซ่านไปเดินก็จะคิดฟุ้งซ่านไปไม่ได้ผลแต่ถ้ามีสติแล้วจะต่างกันถ้าเดินถ้าเดินจงกรมมีสติก็ค อ, คอยควบคุมไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ด้วยการให้กาหนดดูที่เท้าก็ได้เวลาเดินเดินไปก็ให้ดูที่เท้าอ่ะ ซ้ายไปขวาไปหรือสำหรับบางสำนักเขาก็เอาแบบให้มันละเอียดก็ให้ยกหนอก้าวเนอวางหนอยกหนอก้าวนอวางเนอแต่ถ้าแบบที่ไม่ต้องละเอียดมากก็ให้รู้ว่ากำลังเดินเท้าก้าวเท้าซ้ายหรือเท้าขวาไปก็ว่าซ้ายไปขวาไปนี่เป็นอุบายที่จะดึงใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆเพราะถ้าคิดแล้วมันจะยาวมันจะไม่มีวันหยุด แต่ถ้าให้เราอยู่กับซ้ายขวาซ้ายขวานี่เดี๋ยวมันมันไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอมันไม่คิดใจก็จะว่างเย็นสบายอันนี้เป็นขั้นฝึกสติก่อนมีมีสติคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดพอเราควบคุมความคิดได้เราก็จะนั่งสมาธิได้ถ้าเราควบคุมไม่ได้เวลานั่งสมาธิมันจะรู้สึกอึดอัดเนะี่ยพอให้นั่งเฉยๆปั๊บนี่เหมือนกับมีอะไรมากระจุกอยู่ในอกนะ แน่นไปทั้งตัวแน่นไปทั้งอกนะแต่พอให้นั่งดูหนังนั่งเล่นไพน่นี่มันหายไปหมดเพราะมันมีอะไรทำให้มีอะไรคิดนะแต่พอให้นั่งเฉยๆไม่ให้คิดอะไรนี่มันแน่นหน้าอกขึ้นมาปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสติเราจะหยุดอาการเหล่านี้ได้เราจะควบคุมให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธไปให้มันนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธไปก่อน หรือถ้ามันไม่ยอมอยู่ก็พุโทโธให้มันสวดบทยาวๆไปก่อนก็ได้สวดมนต์ไปสวดบทที่เราจำได้อย่าไปเปิดหนังสือให้สวดในใจสวดหลายๆรอบก็ได้สวดซ้ำๆไปเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปคิดเรื่องต่างๆพอเราไม่คิดแล้วมันก็จะเบาจะเย็นจะสบายจะเกิดความสุขขึ้นมาในขณะที่นั่ง พอมันสุกแล้วทีนี้มันจะติดใจะมันว่าเพราะเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงต่อไปมันก็จะไม่อยากไปหาความสุขแบบอื่นแล้วเพราะความสุขแบบอื่นนี้ยุ่งยากไหนจะต้องแต่งเนื้อแต่งตัวไหนจะต้อง ม, มีเงินติดตัวไปไหนจะต้องมีที่ไปไหนจะต้องหาเพื่อนไปมีเรื่องมากหาความสุขแบบคนเดียวเดียวกัหาที่ไหนสงบเงียบไม่มีใครมารบกวนใจ นั่งหลับตากำหนดพุทโธพุทโธไปหรือถ้าจะดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไปเพียงอย่างเดียวหายใจเข้าก็รู้ที่ปลายจมูกหายใจออกก็รู้ที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกคอยเฝ้าดูอยู่ตรงจุดนั้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตมันก็จะเข้าสู่ความว่างเข้าสู่ความสงบแล้วเราก็จะมีความสุขสุขยิ่งกว่าไปเที่ยวสุขยิ่งกว่าไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราควรที่จะมาฝึกจิตกันเพราะเมื่อเรามีความสุขแล้วเราก็จะตัดความอยากได้เรามันก็เวลาอยากไปเที่ยวเราก็ตัดมันได้เพราะว่าความสุขที่เราได้จากการทำสมาธิมันสุขยิ่งกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวเรื่องอะไรไปหาความสุขที่ต้องเสียเงินเมื่อความสุขที่ไม่ต้องเสียเงินมันดีกว่าใครว่าของของดี ของฟรีดีไม่มีเนี่ยของฟรีและดีก็คือความสงบที่เกิดจากการนั่งสมาธินี่แหละเป็นของฟรีเป็นของที่ดีกว่าของที่เราต้องเสียเงินเสียทองเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านซื้อกันมาออลองได้พบความสุขกันนี้แล้วรับประกันได้ว่าจะเลิกหาความสุขแบบเดิมทันทีเรื่องกระเป๋ารองเท้าเรื่องเสื้อผ้าเรื่องรถเกง๋งรถยนต์เรื่องอะไรต่างๆนี่ ไม่มีความหมายในจิตใจต่อไปเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขที่ได้จากความสงบแล้วมันต่างกันฟ้ากับดินมันก็จะทำให้เราตัดความอยากต่างๆได้หมดถ้าเราได้เข้าสู่ความสุขระดับนี้เราก็จะตัดการมรตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาได้เมื่อเราตัดหมดมันก็จะไม่มีอะไรมาชุดให้เรากลับมาเกิดอีกต่อไป เราก็จะไปอยู่ในนิพพานกับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระอริยสงฆ์เพราะใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอริยสงฆ์นี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของท่านใจของท่านก็ยังอยู่เหมือนเดิมใจของเราก็เหมือนกันพอเราตัดความอยากทั้งหลายหมดไปได้ใจของเราก็จะเป็นเหมือนของพระพุทธเจ้าเหมือนของพระอริยสาวกทั้งหลายใจของเราก็จะไปอยู่ที่เดียวกันอยู่ที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายต่อไป นี่แหละคือรางวัลที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามีที่มีคุณค่าราคายิ่งกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันอยู่ในกา ม, มือของพวกเราแล้วอยู่ที่ว่าเราจะเอื้อมไปหยิบมาหรือไม่เท่านั้นเองถ้าไม่มีพระพุทธศาสนานี้เราจะไม่มีหวันที่จะได้สิ่งอันวิเศษเลิศโลกอันนี้เลยแต่ตอนนี้เรามีโอกาสแล้วอยู่ในกา ม, มือของเราแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องเอื้อมไปจับ เ่ไปหยิบมาเท่านั้นเองเราต้องศึกษาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามแล้วถ้าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามแล้วมื่อผลนิพพานก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวาฮาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตางนังอุปกาปติอ an ิชิตังปฏทิต um ังตุมหังกิปเมวาสมมิตจตุสัพเพปเรนตุสังกะปา จันโทปันาราโสยะามณนีโชติอารโสยะาสัพีติโยวิวาจันตุสะพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารายโยสุขีทีขายุโกภวะ ภิวานาิลิตะนิจังวุฒาปจายนโนจตารโธรรมวาทานติอายุวโนโสุขังภาลางาังนวัสการหลวงพ่อคะ่ะอยากถามว่าเมื่อสักครู่ค่ะคือปกติน่ะหนูจะดูที่ลมหายใจอะคะ่ะ เอาจิตไปจับที่ลมหายใจเข้าออกผ่านปลายจมูกไปถึงทรงอกแล้วก็เหนือสะดือสองนิ้วใช่ไหมคะแต่เมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าให้เอาไปไว้ที่ปลายจมูก<อ>หายใจเข้าก็รู้าหายใจออกก็รู้หนูอยากรู้ว่าที่คือมันต่างกันยังไงอะค่ะหลังตรงที่ว่าจิตมันยังต้องเคลื่อนไหวถ้าตามลมจิตมันก็ต้องตามเข้าตามออกจิตยังต้องทํางานอยู่มันก็จะไม่นิ่ง ถ้าอยากจะให้จิตนิ่งก็ต้องอยู่จุดเดียวเมื่อกี้หนูลองทํำดูหนูหรู้สึกว่านิ่งขึ้นเออก็เลยอยากจรู้ว่าที่ถูกต้องต้องทําแบบนี้ใช่ไหมคะจุดไหนก็ได้ที่กลาง อ, อกก็ได้ที่ายจมูกก็ได้แล้วแต่ที่เราถนัดไม่ต้องตามลมหายใจไม่ต้องตามเขาให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าข้ารู้ว่าออเพื่อเราจะได้ไม่ไปคิดถ้าเราไม่รู้แล้วก็แสดงว่าเรากำลังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เราก็จะไม่รู้ไง คือหนูเคยฟังเทศอะคะอ่ะเขาบอกว่าให้รู้ลมหายใจตามลมหายใจแล้วเหมือนกับเป็นการทากรรมฐานในตัวอันนี้หนูเข้าใจผิดหรอคะเขาเขาเข้าใจผิดหนูไม่เข้าใจผิดหรอเขาเข้าใจผิดเขาเลยบอกผิด <c oughs> คือการปฏิบัติมันมีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกเรียกว่าสมถะั้นที่สองเรียกว่าวิปัสสนาขั้นตอนแรกเราต้องการทำใจให้นิ่ง ต้องให้มันผูกไว้อยู่ที่จุดเดียวมันถึงจะนิ่งอขั้นที่สองเช่นการฟังธรรมนี้เป็นวิปัสสนาเป็นการสร้างปัญญาเราต้องคิดตามถึงจะเข้าใจตอนนั้นเราไม่นิ่งเราต้องเข้าใจความหมายของธรรมแล้วเราก็จะได้ปัญญาเป็นคนละอย่างกันอ๋อค่ะ ถ้าอยากนิ่งแล้วคือเอาจิตไปจับที่ไปจมูกจุดเดียวที่ไหนก็ได้ที่จมูกที่พุโทโธก็ได้ที่กลางอกก็ได้ไม่ให้จิตเคลื่อนอ่าไม่เคลื่อนไหวอืมครับค่ค ะ, ะถ้าต้องการปัญญาต้องฟังแล้วพิจารณาตามคิดตามนึกนึกภาพตามอืถึงจะได้เห็นภาพจะได้เอาภาพนี้มาสอนใจไม่ให้ไปหลงกับความหลงที่เรามีอยู่อืม ทำคนคลาาอคคะอย่างทำคนละตอนกันไม่ได้ทำพร้อมกันเูาทำอย่างนี้มาหลายปีแล้วต้องยากกันเวลาทำสมาธิก็อย่าไปคิดเวลาทำปัญญาก็คิดให้เต็มที่คิดด้วยเหตุด้วยผลขอบพระคุณค่ ะ, ะวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ ทาง f a c e b o o สาม2 y อยเจ็ดสิบสองยูสองร้อยเจ็ดสิบอ็ดวิทยุออนไลน์ยี่สิบหกรับฟังบนขาห้าสิบรวมเจ็ดร้อยสิบเก้าค่ะ อ, อทีนี้แต่เจ็ดร้อยหลายวันทนะุกวันเลยน ะ, ะใครมีคำถามอยากกระถามก็เชิญถามได้กราบขอโอกาสพระอาจารย์เจ้าคะยมสนใจแล้วก็ อยากทราบความแตกต่างระหว่างการมีสติรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันซึ่งตามสัญชาติญาณที่เราทำอยู่กับการมีสติรู้สึกตัวในส่วนที่เป็นวิปัสสนาญาณ น, นะเจ้าค่ะว่ามันมีความต่างหรือการปฏิบัติที่แตกต่างกันเช่นไรเจ้าค่ะคือสตินี้มันมีอยู่สองแบบด้วยกันสติแบบไม่คิดกับสติแบบคิดในชีวิตประจาวันของผู้ครองเรือนนี่ ต้องทางานทาการต้องใช้ความคิดกับการทำงานมีสติกับการทำงานแต่ต้องคิดไปด้วยอย่างนี้เรียกว่าสติแบบคิดซึ่งเป็นสติที่ยังไม่อ้อต่อการทำใจให้สงบแล้วต้องการสติแบบไม่คิดจะ แ, แบบไม่คิดได้ก็ต้องไม่มีงานทำอย่างพระนี่ไม่มีงานทาก็จะฝึกสติแบบไม่คิด ทำอะไรก็ให้รู้เฉยๆเพราะงานที่ทำไม่ต้องคิดเช่น ง, งานปัดกวาดกวาดถูกุฏิสาลากวาดใบมงใบไม้เดินบินทะบาดงานพวกนี้ไม่ต้องใช้ความคิดมากอย่างนี้เรียกว่าสติแบบไม่คิดเพราะว่าเราต้องการหยุดความคิดใจของเราถึงจะสงบถึงจะมีความสุขดังนั้นสติของคารวาในการทำงานนี้ไม่ถือว่าเป็นสติที่จะทำให้ใจสงบได้ ต้องเป็นสติแบบที่ไม่ไม่ใช้ความคิดเช่นตอนที่อยู่บ้านก่อนไปทำงานนี้ฝึกสติแบบนี้ได้เช่นเวลาที่เราเตรียมตัวจะไปทำงานพอตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาเราก็ตั้งสติให้ดูว่าตอนนี้ร่างกายเราอยู่ในท่าไหนท่านอนก็ดูมันลุกขึ้นมาก็ดูมันให้รู้เฉยๆว่ามันกำลังอยู่ในอิริยาบถไหนไม่ต้องคิดนะอย่าให้มันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตอนที่ไปเตรียมตัวอาบน้ําอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันหวีผ้าหวีผมก็ให้มีสติดูไปรู้ไปแต่ไม่ต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้ตอนตอนที่เราอยู่คนเดียวเตรียมตัวนี่เรามีโอกาสที่จะฝึกสติแบบนี้ได้แต่พอเราไปเกี่ยวข้องกับคนเริ่มต้องคุยกันต้องสนทนาการปรึกษาการเรื่องงานเรื่องการมันก็ไปละทีนี้มันก็จะคิดไป ก่อนกว่าจะกลับบ้านบางทีกลับบ้านยังเอางานจากบะจากที่ทำงานมาทำที่บ้านต่อมาคิดต่อถ้าถ้าสติแบบนี้มันก็ไม่ทำให้ใจสงบ ถ, ถ้าถ้าเชนั้นเชฉะนั้นค า, ารวาสก็ในชีวิตวิถีทกวิถีที่ใช้ชีวิตปกติก็มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมหรือเข้าใจธรรมได้ยากใช่ไหมเจ้าคะ นั่นแหละสงก็ถึงให้มีวันหยุดเนี่ยจะได้ไปฝึกแบบพระกันะให้ลองไปอยู่วัดในวันพระแล้วก็ไปฝึกแบบพระ <c oughs> เพราะว่าวันที่หยุดเราก็จะได้ไม่ทำงานไม่ต้องคิดเรื่องงานเรื่องการเราก็จะคิดอยู่แต่เรื่องปัจจุบันเช่นกินข้าวล้างหน้าแปรงฟันอะไรไปทท่านั้นเองก็จะไม่ใช้ความคิดมาก <c oughs> แล้วพอนั่งสมาธิก็จะสงบง่าย นี่คือคนที่บรรลุธรรมส่วนใหญ่จึงเป็นพระเป็นนักบวชคารวา่าในถ้าเปรียบเปรียบเทียบที่เคยพูดก็เหมือนรถรถที่วิ่งมีสองเลนเลนเลนช้ากับเลนเร็วคารว่านี่เหมือนอยู่เลนซ้ายต้องคอยจอดรับส่งของรับซรับคนรถเลนขวานี้เขาวิ่งอย่างเดียวเขาไม่เขาไม่จอดน พวกนักบวชพวกปฏิบัติพวกนักบวชพวกพระนี่ก็เป็นเหมือนพวกเลนขวาเขาปฏิบัติตลอดยี่บสี่ชั่วโมงแต่ค า, า, าราว่านี่เดี๋ยวต้องแวะรับคนนู้นแวะรับคนนี้ขนของขึ้นขนของลงมันก็เลยไปไม่ถึงไหนสักทีแต่อย่างน้อยเราก็สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนได้ในวันที่เราไม่ทำงานเปลี่ยนจากเป็นค า, า, ารว่ามาเข้าเลนขวาดูบ้าง ลองเข้าเนยนขวาดูสักวันไปลองไปอยู่วัดอยู่ที่เ้ามีที่สอนปฏิบัติธรรมหรือถ้ามีวันหยุดหลายวันสามวันก็ลองไปเข้าคอร์สที่ไหนดูก็ได้อันนั้นหละจะได้จะได้เป็นกอบเป็นกรรม อ, อยากจะถา ม, มอีกฮะฮัลโหลได้ยินไหมคะพูดดังๆเอยค่ ะ, อะเออสภาวะนะคะ ที่ตัวรู้ของเรารับรู้ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนว่างเปล่าไม่เหลืออะไรเลยลูกธรรมก็ว่างเปล่าทั้งหมดนามธรรมก็ว่างเปล่าทั้งหมดตัวรู้ของเราที่รับรู้ได้เราก็ไม่ยึดมันเราก็ปล่อยวางมันมันเหมือนกับว่าตัวรู้มีก็เหมือนไม่มีจะว่าตัวรู้ไม่มีเลยก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็ยังรู้อยู่มันไม่เหมือนกับ สภาวะจิตรวมที่เคยเป็นมาเจ้าค่ะก็เลยอยากรู้ว่าสภาวะนี้คือสภาวะอะไรเจ้าค่ะก็สภาวะปรุงแต่งเราปรุงแต่งว่าเรารู้เราปรุงแต่งว่าเราไม่ยึดไม่ติดแต่เรายังไม่รู้ว่าเวลาเกิดเหตุการณ์จริงๆแล้วเรายึดติดหรือไม่ค่ะ<ฆ>อันนี้มันต้องรู้เองต้องไปพิสูจน์ถึงจะรู้ว่าสิ่งที่เราคิดอยู่นี้มันเป็นดังที่เราคิดหรือเปล่า เช่นเวลาเราสูญเสียสิ่งที่เราลักไปนี่เราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเรายังมีสิ่งที่เราลักอยู่ก็แสดงว่าไม่ว่างแล้วเรายังลักอะไรอยู่หรือเปล่าเรายังชอบอะไรอยู่หรือปเปล่าคือตอนที่ออกมาจากสภาวะ น, นั้นนะคะก็รู้สึกว่าโอ้โหสิ่งที่เรายึดอยู่ทั้งหมดทุกวันนี้ร้อยแปดล้านอย่างที่เรายึดอยู่เนี่ยมันความจริงแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยมันว่างเปล่าทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าเราอะ ไปยึดมันเองเ อ, อแล้วแล้วสุดท้ายก็มาด่าตัวเองว่าเราไปยึดทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั้นมันเป็ น, ปนอดีตไปแล้วความรู้สึกนั้นเราต้องดูปัจจุบันว่าความรู้สึกนั้นยังอยู่กับเราหรือเปล่ามันอยู่สักพักหนึงอะค่ะถ้ามันอยู่สักพักมันก็แสดงว่ามันหายไปแล้วค่ะพอสัหายไปแล้วมัน ก, ก, ก็ต้องทําให้มันอยู่กับเราตลอด สภาวะนี้เป็นสภาวะที่ดีหรือไม่เจ้าคะก็ถ้ามันสุขมันไม่ทุกข์ก็ดีมันสบายไปหมดเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะยึดจะอะไรเลยนั่นะก็ต้องทำให้เป็นอย่างนั้นตลอดเวลาควรจะทำให้ได้อย่างนี้ทุกขณะจิตไหมทำในขณะจิตเวลาที่เราไม่อยู่ในท่าสมาธิเราก็ต้องใช้ปัญญามันถึงจะอยู่ได้ปัญญาก็จะคอยสอนเราว่าทุกอย่างมันว่างเปล่าอนัตตาไม่มีอะไรเป็นเราของเราไม่มีอะไรที่เราจะน่ายินดี น่ายินไลทุกอย่างเขาเป็นของเขาอย่างนั้นเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาแล้วใจของเราก็จะว่างขึ้นมาเหมือนตอนที่เราอยู่ในสมาธิค่ะนั้นเราต้องทำตลอดเวลาไม่ใช่ทำแต่เฉพาะเวลาที่อยู่ในสมาธิเพราะชีวิตส่วนใหญ่ของเราไม่ได้อยู่ในสมาธิชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่นอกสมาธิเรายัางน้องมาเกี่ยวข้องกับลาบยศสรรเสริญสุขอยู่ อยู่ที่ว่าเราจะรู้ทันมันหรือเปล่ารู้ว่ามันว่างรู้ว่ามันไม่มีสาระไม่มีคุณประโยชน์กับเราหรือเปล่าหรือเรายังหลงตามกิเลสอยู่พอได้เงินมาก็ดีใจพอได้ยศมาก็ดีใจถ้ายังมีความดีใจก็เดี๋ยวก็จะต้องมีความเสียใจตามมาเพราะสิ่งที่ได้มันจะต้องเสื่อมไปไม่ช้าก็เร็วก็คือไม่ใช่สภาวะของการเข้าสมาธิใช่ไหมเจ้าคะ ในที่เราพูดถึงตอนนี้ใช่ไมหมายถึงสภาวะที่หนูไปเจอมาหมายถึงว่าอยู่ดีๆมันเหมือนกับก็มนกปุ๊บเข้าไปก็มั น, นเป็นมันก็เป็นภาวะเหมือนกับอยู่ในสมาธิเป็นภาวะชั่วครู่ไงค่ะแต่มันอยู่ได้แบบไม่นาน เ, าเท่าไหร่ก็เราก็ต้องทำให้มันอยู่ให้นานต่อไปสรุปมันก็คือสภาวะ เข้าสมาธิแต่ว่าแป๊บเดียวอ่ามันแป๊บเดียวแต่เวลาออกมาเราจะให้มันรักษาสภาวะนั้นก็ต้องใช้ปัญญาคอยสอนสอนใจไม่ให้ไปหลงกับอะไรมันก็จะกลับอยู่เนมันก็จะรักษาสภาวะนั้นได้ต่อไปก็คือต้องจเจริญสติจเจริญสติปัญญาค่ะต้องรู้ทันสิ่งต่างๆว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาค่ะไม่ไปยินดียินไล่กับมัน ให้สักแต่ว่ารู้ไปเรื่อยๆ <ฮา S 1> ให้รู้เฉยๆไปค่ะขอพระคุณค่ะใครอยากจะถามมีก็ถามได้นะฟูวใกล้ๆปากเลยดังๆเลยขอกลับใ น, นพัฒการพระจานทร์ค่ะคือมีเพื่อนอคนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเขามาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเออความ เขาต้องสูญเสียอะไรไปหลายหลยอย่างเช่นการจะได้เ อ, อมีความสุขในทางโลกซึ่งเขาชอบมากเนะี่ยแต่จะจะแนะนําเขายังไงว่ามันมีสิทธที่เหนือกว่านี้อะค่ะ อ, อ๋อก็ไงก็ต้องเสียอยู่ดีแต่ปฏิบัติแล้วไม่ปฏิบัติเดี๋ยวตายก็เสียหมดอยู่ดีบอกเขาอย่างงั้นเดี๋ยวแก่เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายก็เสียหมดอยู่ดีแต่เสียแบบไม่มีอะไรสำรองถ้ามาปฏิบัติธรรมจะได้มีธรรมะสำรองไว้ เวลาเสียความสุขทางโลกยังมีความสุขทางธรรมสำรองอยู่เหมือนกับไปหาแบบสมัยนี้รถก็มีมีทั้งน้ำมันมีทั้งแก๊สพอน้ำมันหมดก็ยังมีแก๊สใช้ต่อได้ถ้าไม่มีถังแก๊สอยู่ในรถก็จบพอน้ำมันหมดก็จอดอันนี้ความถ้าเราไปยึดกับความสุขทางโลกเพียงอย่างเดียวเราไม่มาหาความสุขทางธรรม เดี๋ยวพอความสุขทางโลกมันหมดไปหรือหาไม่ได้มันก็จะไม่มีอะไรมาทดแทน<ม>แต่ถ้าเรามาอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งเข้าวัดกันสักครั้งหนึ่งมาปฏิบัติทำมาสร้างความสุขทางจิตใจยยงนันพอเวลาเราไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้เราก็ยังหาความสุขทางจิตใจได้ต่อไปบอกเขาอย่างนั้นนะอ่า ไม่คิดตังนะใครอยากจะถามก็ถามไนดะ้ <c oughs> ไม่เอาก็เดี๋ยวให้ทางบ้านทางที่อื่นก็อยากจะถามนั คำถามจากคุณสูค่ะจากหลักสติปัฏฐาน4เรื่องเห็นกายในกายคือต้องเห็นแบบไหนและปฏิบัติอย่างไรครับคือเข้าใจธรรมชาติของร่างกายว่าเป็นอย่างไรเช่นเข้าใจว่าร่างกายมันไม่มีเพียงแต่ผมมีแต่หน้าเท่านั้นมันมีอาการอื่นๆ อ, อีกเยอะแยะที่เรามองไม่เห็นเราต้องศึกษาให้เหมือนนักศึกษาแพทย์ ให้เห็นชัดเจนว่าร่างกายมีทั้งผมขนเล็บฟันหนังแล้วยังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีปอดมีตับมีหัวใจมีลำไส้มีน้ำอะไรต่างๆอยู่อันนี้จะได้เห็นภาพของร่างกายที่ชัดเจนจะนัไม่ไปหลงแล้วมาเห็นว่าร่างกายนี้มันก็มีเพียงแค่อาการสามสิบสองคำว่าตัวตนในร่างกายมันก็ไม่รู้จะหาตรงไหนมันไม่มี ลองศึกษาดูร่างกายแล้วตัวตนไม่มีมีแต่ตับมีแต่ไตมีแต่ลำไส้มีแต่ปอดมีแต่หัวใจมีแต่สมองตัวตนมันอยู่ตรงไหนมันไม่มีเราไปตู่มันเอาเองเหมือนคนโบราณไปตู่ว่าโลกนี้แบนมันแบนที่ไหนมันไม่แบนมันกลมร่างกายมันก็ไม่มีตัวตนแต่เราก็ไปตู่มันว่ามีตัวตนเป็นตัวเราของเรา เวลาเราตัดผมไปเราหายไปกับผมรึเปล่าถ้าเป็นผ้าผมเป็นเราตัดเล็บแล้ว เ, เล็บมันเราหายไปกับเล็บรึเปล่าถอนฟันแล้วเราหายไปกับฟันรึเปล่าเดี๋ยวสมัยนี้เปลี่ยนหัวใจเอาหัวใจคนอื่นมาใส่ในร่างกายเราเรากลายเป็นคนนั้นไปรึเปล่าเราก็ยังเป็นคนเดิมอยู่มันคนเราเร า, เราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายจะเปลี่ยนยังไงมันก็เป็นเรื่องของร่างกาย เราไปตูมันเองว่ามันเป็นเราเป็นตัวเราของเรามันเลยทำให้เราเดือดร้อนวุ่นวายไปกับร่างกายพอเราศึกษาพิจารณากายในกายแล้วเราก็จะเห็นชัดว่าอ๋อร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันมาจากดินน้าลมไฟเดี๋ยวมันก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟมีเท่านั้นนี่คือการศึกษากายเพื่อจะได้ปล่อยวางจะได้ไม่ต้องทุกข์กับร่างกายกต่อไป ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่เราสบายัหมเวลาร่างกายค็เล่น น, นี่เขาเป็นอะไรเราทุกข์กับเขาปะสบา ย, ม, ยมันจะแก่มันจะเจ็บจะตายก็เรื่องของมันแต่พอเป็นร่างกายอันนี้เป็นของเราขึ้นมาปั๊บเป็นอะไรขึ้นมาหน่อยวุ่นวายกินไม่ได้นอนไม่หลับเนะี่ยไปหาหม อ, หมอบอกสงสัยเป็นมะเร็งแค่นี้ก็วุ่นวายใจละพอเราไปยึดไปเถอว่าเป็นของเรา พอเราได้ศึกษาด้วยปัญญาว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นตุ๊กตาแม่พ่อแม่สร้างให้เรามาเล่นเราเป็นใจผู้มารับร่างกายจากพ่อแม่อีกทีหนึ่งเท่านั้นเองถ้าเข้าใจหลักนี้แล้วต่อไปเราจะได้ไม่วุ่นวายไปกับความเป็นความตายของร่างกายนี่คือการพิจารณาศึกษา ร่างกายเนี่ยพระเจ้าให้เราศึกษา ส, สามอย่างด้วยกันที่เรามีปัญหาอยู่คือร่างกายสองความรู้สึกรู้สึกทุกข์รู้สึ ก, ส ก, ส ก, สกไม่สุขไม่ทุกข์อะไรนี้มันทำให้ใจเราวุ่นวายแล้วก็หลงกับอารมณ์ต่างๆที่อยู่ภายในจิตของเราอางวันอารมณ์ไม่ดีก็เบื่อน่ายขึ้นมาเวลาหไหนอารมณ์ดีก็ดีอกดีใจสดใสเบิกบาน ต้องรู้ว่ามันเป็นอารมณ์มันเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาควบคุมบังคับมันไม่ได้เหมือนกับดินฟ้าอากาศทำไมเราอยู่กับดินฟ้าอากาศได้เพราะเรารู้ว่าเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้เราก็เลยต้องทำใจอยู่กับมันเราก็ต้องหัดทำใจอยู่กับอารมณ์ต่างๆอยู่กับความรู้สึกต่างๆให้ได้แล้วเราก็จะไม่วุ่นวายไปกับมันล้วก็จะอยู่อย่างสบายที่กว่านี้เดินกันเหมือนกับ เหมือนอะไรเหมือนหมาถูกน้ําร้อนเล่นกันหนีกันอยู่นั่นหนีหนีจากตรงนี้ก็ไปเจอตรงนู้นหนีจากตรงนู้นก็กลับมาตรงนี้วิ่งไปวิ่งมากันเบื่อตรงนี้ก็ไปเปลี่ยนที่อยู่งนั้นพอไปตรงนั้นก็เบื่อตรงนั้นเด็กเด็กก็ต้องไปตรงนี้เนี่คือเรื่องของใจไม่รู้จักทําใจให้อยู่กับสภาวะต่างๆที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาที่มีขึ้นมีลงมีมีมีดีมีไม่ดี แต่ถ้ารู้ว่ามันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศอย่าไปห น, นีมันเลยอยู่คัดอยู่กับมันไปแล้วก็จะสบา ย, ยานี่คือเรื่องสติปัฏฐานให้เรามาสอนใจให้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่ละใจเรามาเกี่ยวข้องด้วยมันเป็นอย่างไรและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องกับมันให้ปฏิบัติอย่างไรก็คือให้ปล่อยวางให้รู้ทันแล้วปล่อยวาง หรือว่าเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ไปบังคับเขาไม่ได้เขาจะมาเขาก็มาเขาจะไปเขาก็ไปถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยให้เขามาปล่อยให้เขาไปคําถามสกุลบวรบปภา โยมอยากทราบว่าเวลานั่งสมาธินั่งไปจะมีอาการคอแข็งค่ะพอตั้งจิตดูก็หายนั่งไปก็เป็นอีกซ้ําแล้วซ้ําเล่าซึ่งเมื่อก่อนไม่เป็นเมื่อก่อนจิตสงบตัวเบาลมหายใจเบาและอีกอย่างภาวนาพุทโธแต่โยมจะติดเพ่งที่หน้าผากถึงจะสงบถ้าเอาลมหายใจจิตมันไม่สงบค่ะอ่าเก่าที่มันสงบสิ ใบเอาที่มันไม่สงบทําไมเนาะที่หน้าผากสงบก็ไปเพ่งที่หน้าผากดูก็แล้วกันที่ไหนก็ได้ให้มันอยู่จุดเดียวอย่าให้มันคิดปรุงแต่งถ้ามันสงบแล้วมันก็ไม่มีปัญหาถ้ามันไม่สงบมันก็จะมีปัญหาต่างๆอย่างนี้ ฉ้นหาหาจุดที่มันทำให้เราสงบก็ทาให้ไม่คิดว่าตอนที่เราสงบในอดีตมันสงบยังไงก็ต้องทำแบบนั้นเลยทำแบบไหนที่ทำให้ใจเราสงบก็กลับไปทำแบบนั้นเหตุแบบเดียวกันผลมันก็ต้องงานเดียวกันถ้าเรามาเปลี่ยนเหตุมันก็เลยผลมันก็เลยเปลี่ยนไปมันก็เลยไม่สงบคำถามจากคุณโตตะวันออกถามเรื่องสมาธิแต่ขออนุญาตเล่าสองเรื่องค่ะ ผมเคยนั่งสมาธิขณะโบยแล้วจิตรวมแยกออกจากกายลักษณะเหมือนไฟไหม้กระดาษพูบจากด้านล่างขึ้นบนสุดที่ศีรษะแล้วร่างกายก็ไม่มีความรู้สึกมีแต่ความคิดปัญหาคือผมตกใจกลัวต่างๆนานาเลยลืมตาก็มองเห็นภาพปกติแต่ยังไม่รู้สึกถึงร่างกายเลยมองไปที่นิ้วมือลองคิดกระดิกนิ้วมือมันก็กระดิกแต่ไม่รู้สึกตกใจเลยรีบนอนลงพอนอนลงรู้สึกเหมือนหัวหมุนเหมือนกับว่าเราเอาหัวมมุด มุ้งอยู่พุ่งซ้ายทีกว่าทีแต่ไม่ผ่านมุง้งกว่าจะรู้สึกถึงสัมผัสของร่างกายน่าจะประมาณหนึ่งสองชั่วโมงหลังจากนั้นมาก็ไม่เคยเข้าสมาธิได้อีกเลย ตอนนั้นไม่ได้ศึกษาเลยตกใจกลัวแต่ที่เข้าสมาธิได้เหตุก็มาจากความกลัวเช่นกันอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือเคยเข้าสมาธิได้หนึ่งครั้งถึงขั้นปิดติสุขขณะเดินบินทบาต์กำหนดพุดโทโธตลอดเวลาอยู่ดีๆใจก็เบาร่างกายเบาเหมือนเดินอยู่บนปุยเมฆสุขใจมากๆนั่นเป็นครั้งแรกที่ได้รู้จักความสุขและเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาขอกราบครูอาจารย์แนะนาวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าสมาธิด้วยครับ ก็พยายามฝึกสติเรื่อยๆลือมอดีตที่ผ่านมาแล้วอย่าไปคิดถึงมันให้จิตอยู่ในปัจจุบันให้ฝึกสติพุโทโธไปเรื่อยๆไม่ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เวลานั่งก็พุโทโธไปอย่าปล่อยสติอย่านั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวจิตจะเกิดอาการต่างๆขึ้นมาแล้วเราจะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับมัน ยั่งให้ฝึกจะให้มีสติคอยกำกับใจตลอดเวลาไม่ว่าเราจะนั่งสมาธิหรือทำอะไรต่างๆก็ตามสติเป็นสิ่งที่จำเป็นทุกกรณีแล้วถ้าเรามีสติแล้วถ้านั่งเฉยๆจิตมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้หรืออาจจะสงบในขณะที่เรากำลังทำอะไรก็ได้ถ้ามีสติเหมือนตอนที่เราเดินบินทบาดฮนะเดินบินทบาดมีสติอยู่การเดินบินทบาดจิตมันก็สงบได้ แต่มันจะสงบไม่เต็มร้อยเหมือนกับเวลานั่งถ้าอยากให้มันสงบเต็มร้อยนี่ต้องนั่งเฉยๆร่างกายต้องนิ่งใจก็ต้องนิ่งถ้าร่างกายเคลื่อนไหวใจมันยังจะสงบไม่ได้เต็มร้อยแต่ก็เป็นวิธีที่ถูกต้องคือต้องให้มีสติอยู่ตลอดเวลา คำถามจากคุณแจ็คถ้าดื่มเหล้าในห้องนอนก่อนนอนเพื่อให้หลับสบายขึ้นบาปไหมครับไม่บาปหรอกมึองพินจะทําให้ติดเหล้านะนี่ต่อไปก็ต้องกินเหล้าทุกคืนก่อนจะนอนเพอมันกินอะไรมันติดนะพอไม่ได้กินมันก็จะนอนไม่หลับนะคาถามจากคุณกิ๊บ ติดตามข่าวการเมืองและการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงเหมือนมองเห็นความวุ่นวายและความขัดแย้งกำลังจะเกิดขึ้นเราควรจะวางใจอย่างไรดีคะเรื่องนี้สามารถมองให้เป็นธรรมะได้หรือไม่คะได้มองว่ามันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ก่อนเราเกิดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปหลังจากที่เราเกิด <c oughs> มันเป็นมาทุกยุคทุกสมัยสมัยพระเจ้ามันก็เป็นอย่างนี้สมัยภาษีอานมันก็จะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นอย่าไปสนใจดีกว่าเรากลับมาสนใจ ใจเราดีกว่าอย่าให้ใจเราวุ่นวายไปกับเหตุการณ์ทางโลกอันนี้เป็นเรื่องปกติของทางโลกโลกนี้เขาถึงเรียกว่าเป็นโลกของคนไงเพราะคนชอบคนให้มันให้มันวุ่นวายกันเหมือนน้าพอคนน้ํามันก็มันก็มันก็ขุ่นโลกเรามีคนมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละถ้าไม่มีคนเมื่อไหร่โลกก็จะสงบไปนั้น คำถามสักุนอารยาเล็กโยมจะมีวันหยุดงานเดือนละสองครั้งค่ะพอถึงวันหยุดโยมก็จะมีความรู้สึกว่าจะต้องไปถือศีลที่วัดทุกทีเลยค่ะถ้าไม่ได้ไปจะรู้สึกไม่สบายใจอย่างนี้โยมจะเป็นคนหลงบุญไหมคะไม่หลงหรอกติดบุญการติดบุญนี้ดีเพราะเหมือนติดหมอติดยาคนไข้ต้องติดหมอติดยาถึงจะหายไขย้เราอยากจะหายทุกเราก็ต้องติดบุญ คำถามจากคุณพิเชษการรับใช้พ่อแม่กับเราต้องการถือศีลแปดเพื่อมีเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างไหนอนิสงส์มากกว่ากันครับก็ทาต้องทำทั้งสองอย่างนะเพราะการรับใช้พ่อแม่ก็สาคัญเพราะว่าเราเป็นลูกเราเป็นหนี้บุญคุณของพ่อแม่เมื่อถึงเวลาต้องใช้หนี้เราอย่าอ้างเหตุอย่างอื่นว่าต้องไปหาหาบุญที่สูงกว่า ยังต้องใช้บุญต้องใช้หนี้เก่าวไปก่อน เ, ออเวลาว่างค่อยไปทําล้วรักษาศีลมันเป็นบุญคนละอย่างกันเป็นบุญที่ต้องทําถ้ามีเหตุบังคับให้ทําก็ต้องทําไปคําถามจากคุณกำพลเราจะทําอย่างไรถึงจะหยุดความอยากได้ดีที่สุดครับเราก็อย่าไปทําตามความอยากทุกครั้งที่อยากก็อย่าไปทํามันนั่นเองต่อไปความอยากมันก็หมดไป อยากสูบบุหรีก็อย่าไปสูบเดี๋ยวไม่กี่ครั้งความอยากสูบมันก็หมดไปคําถามจากคุณหารษาสงสัยว่าสามีทํางานคนเดียวได้รับงบดูแลครอบครัวมาบริหารจึงแบ่งส่วนหนึ่งทําบุญเช่นบํารุงศาสนาและสาธารณประโยชน์ในนามครอบครัวสามีทราบดีแบบนี้สามีหรือภรรยาได้บุญมากกว่ากันลูกๆจะได้บุญด้วยไหมเจ้าคะแล้วแต่ว่าเป็นเงินของใครไง เจ้าของเงินเน่ยได้เพราะเขาเป็นคนเสียสละคนที่ไม่เป็นเจ้าของเงินไม่ไม่ได้บุญอาจจะได้ความยินดีชื่นชมยินดีอนุโมทนาไปด้วยแต่ถ้าไม่ได้เสียสละเงินทองของตนเองก็จะไม่ได้บุญอันนั้นไปคําถามจากคุณอุจะทําอย่างไรเมื่อเราต้องอยู่กับคนที่ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ได้จะใช้ธรรมะข้อไหนคะคิดว่าเราเป็นหนี้เขาก็แล้วกันใช้หนี้เก่า คำถามจากคุณบุญเกิดเมื่อเรารู้สึกว่ากรรมเก่ามาถึงควรทาอย่างไรดีคะก็ให้รู้ไว้แล้วก็ปล่อยวางอะไรจะเกิดก็เกิดถ้าแก้ได้ก็แก้ป้องกันได้ก็ป้องกันถ้าป้องกันไม่ได้ก็สักแต่ว่ารู้ไปคำถามจากคุณวิคำว่าสัทธธรรมปุณณธ ร, ริกสูรเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเจ้าคะ ลองไปถามก o เกิลดูหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคําถามสักคุณกําพลชีวิตเราเป็นคนกําหนดเองหรือขึ้นอยู่กับเวรกรรมที่เราได้กระทําครับชีวิตของเราอยู่ที่การกระทําของเราเราทําดีมันก็ไปในทิศทางที่ดีเราทําชั่วมันก็ไปนิททางทิศทางที่ไม่ดีเหตุนั้นกรรมเนี่ยเป็นตัวกําหนดชีวิตของเราพระพุทธเจ้าบอกเรามีกรรมเป็นของของตน เรามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดเราเป็นกรรมเรามีกรรมเป็นเผ่าพันเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นคำถามจกคุณพีโกนถ้าใจยุ่งเรื่องภายนอกทางทางที่ไม่ใช่เรื่องของเราควรบอกตัวสังขารอย่างไรครับก็หยุดมันด้วยพุโทโธพอไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็หยุดมัน ถ้าสั่งให้มันหยุดมันไม่หยุดก็ต้องใช้พุโทโธหยุดเหมือนพุโทโธพุโทโธไปหรือสวดมนต์ไปเพื่อเราจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องที่เราไม่ควรจะคิด คำถามสักคุณแฮปปี้ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเข้าสู่สภาวะนิ่งสงบเบาแล้วมีความสุขเหมือนเกิดมาไม่เคยพบเจอมาก่อนแต่พอไปรู้สึกมันก็จะหลุดพอพยายามบ่อยๆครั้งก็สงบได้แต่ก็ทำได้ไม่นานทำอย่างไรถึงจะสงบนิ่งรักษาความสงบนั้นได้นานๆเจ้าคะ่ะก็พยายามนั่งต่อไปเวลามไม่สงบก็เริ่มต้นใหม่ก็พุโทโธใหม่ดูลมใหม่ ทนไม่ได้นั่งไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเดินก่อนเดินมาสร้างสติเพิ่มเติมสติตอนที่พตอนที่นั่งไม่ได้ตอนที่ไม่สงบเพราะสติมันหมดกำลังก็เลยต้องออกมาแล้วก็มาเดินจงกรมแล้วก็ฝึกสติต่อพุทโธพุทโธต่อแล้วพอรู้สึกเมื่ออยากจะนั่งก็กลับไปนั่งใหม่แล้วก็เข้าไปสู่ความสงบใหม่ต้องสลับทำ่างนี้ไป แล้วต่อไปมันก็จะสงบไปยาวนานและต่อเนื่องคำถามจากคุณจรัลรัก ตอนนี้แม่เสียไปร่วมสองปีแล้วแต่ในความรู้สึกเราคิดตลอดเวลาว่าก่อนแม่เสียเราดูแลท่านไม่เต็มร้อยรู้สึกผิดตลอดมาสองปีมันทรมานจะทำอย่างไรดีเจ้าคะจะหลุดออกจากความรู้สึกนี้ได้ทุกวันนี้เข้าวัดไปถือศีลและอุทิศบุญให้แม่บ่อยๆตามเวลาที่เราทำให้ได้เจ้าคะ่ะก็มันทำาวนอุทิศไป อย่ารักษาศีลและอุทิศไปต้องเสียสละเงินทองแล้วมันจะมีความรู้สึกที่มีความสุขเพราะาการรักษาศีลไม่ได้เสียสละอะไรมันจะไม่มีความรู้สึกเหมือนกับการทำบุญทาทานเขาไม่นิยมอุทิศบุญด้วยการรักษาศีลด้วยการไปอยู่วัดเขานิยมการอุทิศบุญด้วยการทำบุญทาทานถ้าเราอยากจะเกิดความรู้สึกที่ดีเราก็ อุทิศบุญทำบุญทำทานแล้วอุทิศไปให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ทำอะไรให้กับเขาเป็นกอบเป็นกำเพ ร, ราะีิที่เรารักษานี่มันยังไม่ยังไม่เกิดผลนะแล้วมันเป็นมันเป็นบุญสำหรับเฉพาะตัวเราไม่ได้เฉพาะเขามันเป็นบุญเพื่อรักษาไม่ให้จิตเราไปสูวบายมันไม่ได้เป็นเหมือนอาหารทานนี่เป็นเหมือนอาหาร อาหารที่เราจะแบ่งให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้ยิ่งถ้าอยากจะอุทิศบุญขอให้อุทิศด้วยการทำทานทำกับพระก็ได้ทำกับโรงเรียนก็ได้ทำกับมูลนิธติต่างๆก็ได้ได้บุญเหมือนกันคำถามจากคุณจาเราต้องสร้างบุญทานมากขนาดไหนจึงไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดครับ อ, อ๋อต้องถึงระดับวิปัสสนาแต่ต้องแต่ก็ต้องขึ้นไปจากขั้นต่าไปสู่ขั้นสูง ต้องเริ่มที่ทานแล้วก็ไปที่ศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยี 10, ่บเจ็ดแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วก็ไปฝึกสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาต้องทำให้ครบทุกอย่างถึงจะสามารถไปถึงทำที่สูงสุดได้ คำถามจากคุณนัชนันสินสิบของเนนบอกว่าห้ามรับเงินรับทองหรือยินดีในเงินนั้นกราบขอเปรียบเทียบของพระว่าต่างจากของเนนอย่างไรเจ้าคะเหมือนกันเพราะพระต้องเป็นเนนก่อนไงเวลาบวชเนต้องบวชเนนก่อนก็เลยต้องถือศีลค้อบแบบเนนพระนี่เป็นเนนก่อนถึงจะเป็นพระได้แล้วศีลสิบก็ติดดากับพระด้วยพระก็เลย จับเงินจับทองเองไม่ได้แต่ให้คนอื่นจับแทนได้ตัวเองไม่ให้พกเงินพกทองไปซื้อข้าวซื้อของเองให้ฝากเงินไว้กับคนอื่นแล้วเวลาต้องการอะไรก็ให้คนอื่นไปซื้อมาให้วมดแล้วเลยมีใครสงสัยอยากจะถามอะไรไหมเพราะว่าไม่มีเดี๋ยวจะปิดประชุมแล้วน ะ, ะมีแล้วส่งไมโครโฟนไปหน่อย พูดใกล้ๆปากหน่อยนะเสียงดังๆการปฏิบัติภาวนาเนี่ยเราจะาได้บุญไปถึงพ่อแม่ที่เป็นบุปการีของเราหรือเปล่าคะได้ถ้าถ้าเราไปสอนเขาได้ถ้าเหมือนพระพุทธเจ้านี่พอท่านบรรลุแล้วท่านก็ไปสอนแม่ให้บรรลุเป็นพระสุวดาบังได้ต้องสอนแล้วเขาต้องปฏิบัติตามเขาถึงจะได้บุญไม่ใช่ได้โดยอัตโนมัติ พอเราเป็นอาหารหันต์เขาก็เป็นอาหารหันต์ตามเราไม่ได้นะแต่ถ้าเราสอนเขาแล้วเขาปฏิบัติตามเขาก็จะเป็นอาหารหันต์ตามเราได้มีอีกไห ม, ไม อ, อ่าก่อนเ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไมโครโฟนก่อนใจเย็นๆค่ ะ, ะเชื้อเกิดของจิตนี่คืออวิชชารือวะ ก็วิชาทำให้เกิดตัณหานี่ยนะความหลงวิชาคือความหลงความหลงที่ไม่รู้ว่าตัณหาเป็นตัวที่พาให้เป็นเวรเว้ตายเกิดค่ะอีกข้อหนึ่งค่ะนอกจากสติแล้วที่เมื่อกี้มีใครถามไม่ทราบแล้วหลวงพ่อตอบว่า ให้ให้ใ ห, ให้ให้แยกธรรมารมออกมาจากจิตเนี่ยนอกจากตัวสติที่จะรู้ว่าตอนนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วนี่ ม, มีมีทางอื่นอีกไหมคะอะไรนะไม่ได้ยินคือหลวงพ่อบอกว่าดดหลวงพ่อบอกว่าใ ห, ให้ให้รู้จักแยกธรรมารมออกมาจากจิตนะคะ เราไม่ได้ว่าจะทำเองคุณไปว่าเราเองแล้วว่าเข้าใจแลว่าให้รู้ว่าในจิตมันมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนั้นไม่ใช่ตัวจิตอันนั้นคือตัวอารมณ์ตัวอารมณ์ตัวจิตคือตัวรู้ตัวรู้ในตัวรู้มันมีอารมณ์ด้วยบางเต่นขึ้นมาอารมณ์ดีบางวันอารมณ์ไม่ดีนี่ตัวนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่าไปหลงอย่าไปอยากให้มันดี มันไม่ดีก็รู้ทันมันแล้วก็ปล่อยวางมันเหมือนดินฟ้าอากาศตื่นขึ้นมาบางวันก็มืดครึืมบางวันก็แจ่มใสะให้รู้ทันแล้วก็ปล่อยวางไม่ต้องไปทําอะไรอยู่กับมันไปสักแต่ว่ารู้ไปบางคนพอลมไม่ดีก็หาเหล้ากินแะหากาแฟดื่มนะคืออยู่กับตัวรู้อให้รูด้ด้วยปัญญาอขอบพระคุณค่ะมีไหมย ตมแนวเงี้ไม่ต้องไม่้อนหนึ่งก็ปฏิบัติแ้ว่ ะ, ะเวลานั่งสมาธิแล้วเหมือนตัวลอยขึ้นท้องฟ้าพอตกใจก็รีบลงมาคืออะไรเจ้าคะก็คือความรู้สึกเนี่ยไม่มีสติอยู่กับการภาวนาฉะนั้นให้กลับมาที่พระการภาวนาอย่าไปสนใจกับความรู้สึกนั้นเพราะมันหลอกเรา พอลืมตาขึ้นมามันก็เหมือนเดิ ม, มก็นั่งอยู่ที่เดิมเห็นเวลานั่งแล้วถ้าไม่มีสติปั๊บเดี๋ยวจิตมันจะหลอกเราถ้ามีสติมันก็หลอกเราไม่ได้งั้นอย่านั่งแบบไม่มีสติต้องมีสติเม่จะพุโทโธก็ได้จะดูลมก็ได้แต่อย่านั่งเฉยๆเพรนั่งเฉยๆปั๊บเดี๋ยวมันจะหลอกเราเอาแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา